วันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะของเราชาวพุทธทั้งประเทศเลยวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสําคัญที่สุดนะในบรรดาวันทำงานทั้งศาสนาทางันที่สุดเนี่ยหนึ่งในสามนะเมื่อถึงวันสําคัญอย่างนี้เนี่ยพวกเราชาวพุทธก็นึกถึงบุญอยากจะมาทําบุญเพื่อให้วันนี้เป็นวันพิเศษเมื่อปีที่แล้วเนี่ย พวกเราชาวพุทธนะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทำบุญเท่าไหร่นะในวันวสในวันอา ส, สาฬห บ, บูชาเพราะว่าเกิดโรคระบาดนะโควิดมันแพร่ระบาดกว้างขวางและรุนแรงมากเราคงจำได้ปีนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงขนาดปีที่แล้วแต่ก็บันเทาเบาบางลงพวกเราก็เลยมีโอกาสได้ มาทำบุญที่วัดไม่ว่าวัดจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะโอกาสทำบุญนะเปิดกว้างมากขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอย่าไปคิดว่าการทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะทำได้ง่ายจริงๆถ้าโอกาสไม่อำนวยก็ทำได้ยากเหมือนกันนะแล้ววันนี้เนี่ยนะก็เป็นวันที่ นะพอเราพร้อมใจกันมาทําบุญกันตามวัดต่างๆนะเมื่อมาทําบุญแล้วนี่ก็ขอให้ทําใจให้เป็นบุญนะมาวัดก็ขอให้วางความเศร้าหมองความเครียดความเครียดความสุนออกไปใครที่เครียดเรื่องงานก็วางเรื่องงานเอาไว้ก่อนที่หน้าวัดนะใครที่มีเรื่องกังวลเกี่ยวกับหนี้สิน ก็วางเอาไว้ก่อนที่นาวัดใครมีความวิตกกังวลเกี่วเรื่องลูกสามีภรรยาพ่อแม่วางเอาไว้ก่อนนะให้ใจเรามาวัดด้วยความสึกที่สบายใจเราจะได้เป็นบุญนะใช้โอกาสนี้นะในการที่จะทำใจใเป็นบุญไม่ใช่แค่มาทำบุญเฉยๆนะ มาทำบุญแต่ว่าใจไม่เป็นบุญนี่ก็มีเยอะนะเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีความรู้สึกตัวมาวัดมาทำบุญแต่ว่าแบกอะไรต่ออะไรมามากมายแบกเรื่องงานเรื่องการแบกลูกแบกหลานที่เจ็บป่วยนะหรือว่าที่กำลังทำตัวเป็นปัญหา คิดถึงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าพอมันเกิดความกังวลเกิดความมิตกขึ้นมาแล้วเอามาจนถึงวัดมาทำบุญมาถวายสังฆทานมารับศีลหรือแม้แต่ฟังธรรมแต่ว่าใจเนี่ยนะหม่นหมองเศร้าวิวตกกังวลอย่างนี้ทำบุญแต่ว่าไม่ค่อยได้บุญนะ ได้บุญมืนกันแต่ว่าบุญน้อยเพราะว่าใจนี่มันหม่นหมองไม่เปิดรับบุญคือความสุขคือความสงบเย็นคือความอิ่มเอิบหรือว่าความปรามโมดความปิตินะคิดถึงลูกก็ดีแล้วคิดถึงงานการไบ้างก็ดีแล้วแต่ว่าเมื่อถึงเวลาทําบุญนะก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาคร่อม ง, งํารบกวนจิตใจจนกระทั่งอ่า ไม่สามารถจะเปิดใจรับบุญกุศลที่ได้ทำหรือกำลังทำอยู่ได้แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาจะมาที่วัดนะอยู่บ้านก็ทำบุญได้นะวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่วันเดียวนะหยุดหลายวันทีเดียวหยุดเนี่ยคือหยุดงานแต่ว่า ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะก็หยุดวุ่นด้วยนะหยุดวุ่นหลายคนเนี่ยหยุดงานก็จริงนะแต่ว่าใจเนี่ยยังวุ่นอยู่นะบางทีวุ่นกับงานหรือบางทีวุ่นกับครอบครัวหรือบางคนก็วุ่นกับการไปไล่ล่าหาสิ่งมา ป, น, ปนเปื้อกิเลสนะหยุดหลายวัน นะแทนที่จะได้หยุดวุ่นเพื่อที่จะได้พักใจบอกว่าใจไม่ได้พักเลยนะดูเหมือนจะได้พักนะเพราะว่าไปเที่ยวนะห้าวันนะได้หยุดติดต่อกันแต่ว่าเอาควางจริงเนี่ยมันหยุดแต่งงานนะแต่ว่าใจนี่ก็ยังวุ่นอยู่นะไปเที่ยวก็จริงนะแต่ว่ามันก็เหนื่อยทั้งกาย เหนื่ทั้งใจไปหาที่เที่ยวไปหาที่กินไปหาที่ดื่มนะไม่ถูกใจก็ทุกหรือว่าถ้าถูกใจก็จริงแต่ว่าเสพบริโภคไม่มีประมาณมันก็ทุกนะมีเรื่องกระทบในระหว่างทางจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็เครียดต้องการไปเที่ยวนะ มันไม่ได้ช่วยทําให้เราพักใจได้เท่าไหร่นะสำหรับคนจํานวนมากเนี่ยแต่ถ้าหากว่าห้าวันที่เขาบอกให้หยุดนะไม่เพียงแต่หยุดงานหรือหยุดบุ่นด้วยมาเข้าวัดหรือถึงแม้ไม่ได้เข้าวัดแต่ว่าก็มาใช้โอกาสนี้เนี่ยทําใจให้หายวุ่นนะอยู่บ้านก็ให้มีสติกับการทําอะไรก็แล้วแต่ หรือว่าถ้าจะให้ดีก็ถือโอกาสทำทั้งสามประการนห้ครบเลยนะทานศีลภาวนาอยู่บ้านนะก็บาเพ็ญทานได้นะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนบ้านบริจาคเงินให้กับคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะ เ, เดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องไปเองก็ได้นะโอนเงินไปก็ได้ จะคิดว่าทานนี่จะต้องทำที่วัดจะต้องมาถวายกับพระหรือบริจาคให้วัดอย่างเดียวนะกับคนยากไร้คนที่ทุกข์ยากเราก็สามารถจะบาเพ็ญทานให้กับเขาได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่อยู่รอบตัวหรือเสียสละบริจาคเงินเพื่อส่วนร่วมอันนี้เรียกว่าทานศีลก็เหมือนกันนะศีลนะ แล้วก็รักษาศีลที่บ้านได้แล้วก็ขยายความหมายของศีลให้กว้างออกไปไม่ใช่แค่ศีล5้านะเราติดอบายามุกอะไรนะไม่ใช่แค่ยาเสพติดเช่นเหล้าสุรานะอบายามุกอย่างอื่นที่เราติดนะก็ให้ละให้วางนะให้หยุดบ้างนะอันนี้มันก็เป็นศีลได้นะหรือบางคนก็อาจจะ ทำมากกว่านั้นคือศินแปดไปเลยนะงดการหาความสุขจากการประดับประดาการตกแต่งการละเล่นหรือความบันเทิงนะที่เคยหาความสุขจากการกินนะแม้กระทั่งเวลาคําเวลาวิการนะก็งดซะเพื่อฝึกใจนะให้อยู่ง่ายนะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพจากภายนอก พบความสุขจากภายในโดยเพพาะถาว่าไม่เพียงแต่บำเพ็ญทานรักษ า, ษาศีลภ า, าวนาด้วยภาวนานี่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวนะการเจริญสติการทำกิจการงานต่างๆด้วยความรู้สึกตัวอยู่บ้านก็ทำอะไรช้าๆแต่ไม่ถึงกับช้าจนกระทั่งเฉยช้านะแต่ว่า ให้ลดความหุนหันพลันแล่นลงนะเวลากินเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวอย่างช้าๆไม่รีบเคี้ยวเวลาอาบน้ำนะเราก็อาบน้ำอย่างสบายๆไม่ต้องรีบนะเปิดโอกาสให้สตินะได้เติบโตเปิดโอกาสให้มีความรู้สึกตัวจะเลยงอกงามนะให้วันนี้เป็นวันแห่งสติยิ่งดีเลยนะไม่ว่าทำอะไร จะอยู่บ้านหรือไปข้างนอกก็มีสติมีความสึกตัวมันจะเผลอคิดไปบ้างเผลอลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรกลับมานะอะไรกลับมาใจนะใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่ก็เป็นภาวนาได้นะคุยกับลูกคุยกับล้านนะคุยกับพ่อแม่ก็คุยอย่างมีสตินะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยอยู่กับพ่อแม่ด้วยใจเต็มร้อย วางเรื่องงานเรื่องการลงนะวางเรื่องเที่ยวนะลงให้ใจอยู่กับท่านอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสตินะกับการพูดกับการคุยมีสติกับการฟังนะกินอาหารก็เหมือนกันนะก็กินอย่างช้าชกินอย่างมีสตินี่ก็เป็นภาวนาได้นะถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยใจเราก็จะได้พักนะ แล้วมันก็จะเป็นวันหยุดอย่างแท้จริงนะมันไม่ใช่แค่หยุดงานอย่างเดียวนะแต่ว่าหยุดวุ่นด้วยนะอย่างที่บอกไปแล้วนะหยุดงานแต่ว่าใจวุ่นก็มีนะโดยเฉพาะนะี่ยวุญนกับการเที่ยวนะเพลิดเพลินสนุกสนานจนลืมเนื้อลืมตัวนะบางทีก็เสบจนลืมตัวจนเมาไมา่หรือว่าเที่ยวสนุกสนานจนกระทั่งอ่านะ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือเกิดการทะเลาะวิวาทกั น, นจะดีกว่านะถ้าว่าเราใช้เวลาช่วงหวันเนี่ยนะไม่ใช่แค่หยุดงานนะแต่ว่าหยุดวุ่นด้วยการมาพักใจพักใจด้วยการเปิดโอกาสให้บุญนะมันได้ซึมซับรับเข้าไปสู่ใจของเราโดยการทำความดีโดยเพราะโดยการเจริญสติโดยการทำความศึกตัว นะหรื อ, อย่างในน้อยเนี่ยก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยก็พยายามทำให้วันนี้เป็นวันแห่งสติให้ได้เป็นวันแห่งบุญให้ใหได้นะแม้จะไม่ได้มีโอกาสมาทาวัดไม่ได้มีโอกาสมาวัดมาทาบุญที่วัดและใครก็ตามนะที่วันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะมาเวียนเทียนนะอ่าก็ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าเวียนเทียนคราวนี้เนี่ยเรามาเวียนเทียน นอกจากทูบเทียนแล้วเนี่ยเราก็มาเวียนเทียนด้วยกล้าไม้นะิสาขาบูชาที่ผ่านมาก็มีหลายคนหลายท่านนะเวียนเทียนด้วยกล้าไม้เวียนเทียนด้วยต้นไม้ทำไปแล้วเมื่อวันวิสาขาบูชาวันนี้วันาศรบูชาก็ทำอีกก็ยิ่งดีเพราะว่าต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะกับพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีความหมายนะมีขุนูปการต่อชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประสูติตัสรุประนิพพานใต้ต้นไม้แสดงธรรมครั้งแรกอันเป็นที่มาของวันอาซาบูชาก็ภายใต้ร่มไม้นะที่ร่มรื่นที่เขาเรียกว่าร่มมณีนะงั้นถ้าเราช่วยกัน เห็นความสำหรับต้นไม้เห็นว่าตระหนักว่าต้นไม้นี่มีคุณูปการต่อการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคุณูปการต่อการรู้ธรรมของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนะเราก็มานะให้ความสํารับต้นไม้โดยการเวียนเทียนนะในวันนี้นะดยต้นไม้นะอาจจะหามาเองก็ได้หรือว่าบางวัดนะก็จัดหาต้นไม้มาให้ เบียนเทียนสกต้นไม้นั้นไปปลูกนะให้แล้วก็ดูแลให้เขาเติบใหญ่ต้นไม้นี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสถานที่ที่เป็นรมณีวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลมานี่นะจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งคือความเป็นรมณีรมณีคือร่มรื่นนะนะอุดมด้วยพฤกษานะมะีความสงบเพื่อกล่อมกล้าวจิตใจให้ เจริญในทางภาวนานะไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยการน้อมใจใสงบเพื่อเกอื้อกูลต่อการรู้แจ้งเห็นธรรมนี่ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะเสริมสร้างวัดให้เป็นถิ่นโรมณีและขยายถิ่นโรมณีให้กว้างขวางไปนะด้วยการปลูกต้นไม้ ก, กันเยอะๆแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันนะโดยการเวียนเทียนด้วยกล้ามไม้เพื่อการแสดงเพื่อเป็นการแสดงถึงความ อขอรพสํานึกในบุญคุณของต้นไม้ที่มีต่อพุทธศาสนาและให้ต้นไม้นั่นแหลนะมาช่วยเสริมสร้างสถานที่ที่สงบร่มเย็นเพื่อเกื้อกูลต่อชีวิตและจิตใจของเราแล้วนะก็ขออนุมโมทนาทุกคนนะทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบําเพ็ญบุญในวันอาสาฬหบูชานะแล้วขอให้บุญของเรานะได้รักษาใจของเราทุกคนให้สงบเย็นเป็นสุข ปลอดภัยไนะกลทุกด้วยกันทุกคนเทิน